เจ็ดสิบสามเย็ดวได้รับอนุญาตได้อนุมติทั้ลคุณได้รับอนุญาตให้ขับรถได้แล้วหรือ ค, คุณได้รับอนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์ได้แล้วหรือคุณได้รับอนุญาตให้ไปต่างประเทศคนเดียวได้หรือ உனக்கு ஏற்கனவே าตให้ไปต செல்ல அ ன ு ம த นเดียวไ ด, ด้หรือ อนุญาตได้อนุมัติเพรุดลเราสูบบุหรี่ที่นี่ได้ไมั้ยคะน้องก็ยิ่งผู้ใหญ่พิดิกัลามาตรงนี้สูบบุหรี่ได้ไมั้ยคะยิ่งผู้ใหญ่พิดิกะอนุมัติอุลลดาจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไมั้ยคะ இ ิ் க ு க ி ர ெ ட ดิ் க า ர ் ட ค க ொ ண ் ட ด பணம் ச ெมு த ் த ல ா ம จาจ่ายเช็คได้ไหมคะ இ ங ่ க ு க ้ ச ோ ல ைโொ ண ் ட ு பணம் செலுத்தலாமா? เจ่ายเงินสดเท่านั้นหรือคะ இ ங ் க ก ரொக்க ப ண พ் த ா ன ் செலுத்தலாமா? ขอใช้โทรศัพท์ได้ไหมคะ நான் ஒரு ஃ ப ท ன ் செய்யலாமா? ขอถามอะไรได้ไหมคะนอนเอเดนุมเกตกลาโมขอพูดอะไรได้ไหมคะนอนเอเดนุมสุลลลาโมเขานอนในสวนสาธารณะไม่ได้อาวันึกปูุงกอวิสตุงกอนุมัติอิลเขานอนในรถไม่ได้ อว ன น க ก க ์มோเตอร์วันดีเยลทุงก์อนุมัติอิละกเขานอนที่สถานีรถไฟไม่ได้อว ன น க ก க ์ railway station ล์ทุงก์อนุมัติอิละเราขอนั่งได้ไหมคะน้องก ள ลุกข้ารัลามเราขอรายการอาหารได้ไหมคะ ย ங ง க ள ு க ் க ுโ ர อร์ வ ு பட்டியல் ัปปி ட ை க ลคิดாด้มเราขอแยกจ่ายได้ไหมคะน้องก ள ் த ன น த ตันีอยาขขก ட คทเทอร์นாมตรลามา